หน้าหนานก็ต้องหนาวหน้าร้อนก็ต้องร้อนความไม่พอดีทำให้เราทุกข์ร้อนมากเกินไปก็ทุกข์ หนาวเย็นมากเกินไปก็ทุกข์ไอ้คำว่าเกินไปเกินไปก็คือมันไม่พอดีนั่นแหละทุกข์ทุกข์กคือไม่ชอบใจไม่สบายกายเพราะร้อนมากเพราะหนาวมากมทุกข์ใจใจนี่คอยรับแต่ทุกข์ ไม่ถูกใจก็ทุกถูกใจแต่ไม่ได้สมใจก็ทุกสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ได้มาอย่างสมใจก็ทุกทุกมีแต่ทุกต้องการไม่ให้แก่มันก็แก่กระทุกต้องการไม่ให้เจ็บร่างกายเจ็บก็ทุกต้องการไม่ให้มันตายร่างกาย เวลามันตายก็ทุกข์ตัวเราตายก็ทุกข์ทุกจนตายญาติเราตายก็ทุกข์เพื่อนเราตายก็ทุกข์ครูบาอาจารย์เราตายวารณาภาพก็ทุกข์โลกนี้โลกของก อ, องทุกข์มีความสุขประเดียวประดาวสุข เเวทนามันก็เป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเรียนรู้เรื่องเหล่านี้แหละโดยเหตุที่เราไม่เรียนเราไม่รู้นี่แหละเราจึงทุกข์ทำไมเราจึงทุกข์เพราะเราไม่เรียนเราไม่รู้จึงทุกข์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 ทุกได้มาเพืเดียวประดาวชินชาเบื่อนายแสวงหาใหม่อ่แสวงหาใหม่อิ่มพอเบื่อนายชินชาแสวงหาใหม่อิ่มพอเบื่อนาย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 ยึดแล้วก็ไม่ได้อะไรยึดแล้วก็มีแต่ทุกยึดแล้วก็มีแต่ทุกคําว่ายึดก็คือเกณฑนัมันเป็นไปตามใจหวังของตัวเองะเกณฑ์นั้นไม่ไปตามใจหวังของตัวเองไม่ได้ก็ทุกทุกเพราะผิดหวังเพราะเกณฑ์คำว่าเกณนก็คือไปบังคับบังคับให้เป็นไปตามใจของตัวเองอ่ะบังคับอะไรได้บ้างในโลกนี้บังคับอะไรไม่ได้เด้อ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 มันมีเหตุมันมีปัจจัยของมันที่สำคัญที่สุดที่จะนำสุขนำทุกข์มาให้เราก็คือกายนี่แหละกับใจนี่แหละทุกรวมๆที่เป็นยอดของมันก็คือทุกกับกายนี่ทุ ก, กับใจนี่ปัญจุ ป, ปาทานขันธาทุกขานทุกรวบยอดทุกรวมยอ ด, ยอดคือปัญจะขานนี่แหละ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 ระบบดินก็เสียไประบบน้ำก็เสียไประบบลมก็เสียไปไม่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยของมันทั้งนั้นแ เ, เราศึกษาเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเข้าใจเพื่อจะไม่ทำให้ใจของเราเนี่ยได้รับความทุกข์ดูได้ไหมดูให้เห็นกายดูกายรู้ไหมว่าเรารู้ว่ามันกายมันมีกาย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 ลองย้อนทวนทบทวนดูปไปให้ดีกายเราจริงหรือเปล่านี่พระพุทเจ้าท่าทนสอนให้พิจารณาอย่างนี้เพื่อมันเท่าทุกข์เพื่อรู้เท่าทันผู้ทําำลายความทุกข์ด้วยเหตุที่เราไม่รู้ไม่ทันไม่เข้าใจนั่นแหละเราไปยึดรู้ก็ยึดไม่รู้ก็ยึดสงสัยก็ยึดชอบใจก็ว่ามันดีก็ยึด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 ตาหจูจมูกลิ้นกายใจมาสัมผัสรสปริวาลมันเค็มมาสัมผัสอากาศเย็นร้อนมาสัมผัสความแข็งกระด้างความอ่อนความนิ่มมีรูปมีนามทำให้เกิดสัมผัสอิยตนาภายนอก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 สวยรสชาติสวยอารมณ์เรียกว่าปีธนาฉะแล้วก็สิ่งที่พายุดก็ตามมาสุขมันก็พายุดทุกข์ก็พายุดความยึดนั่นแหละท่านเรียกว่าอุปาทานอุปาทานอุปาทานคือความยึดยึดยังไงก็เกาะยังงั้นยึดเกาะยังไงก็ยึดอย่างงั้นคลองใจยังไงก็ยึดอย่างงั้นดีใจก็ยึดอเสียใจก็ยึดยินดีก็ยึดยินร้ายก็ยึด ยินดียินร้ายท่านก็นกว่าพอใจไม่พอใจท่านก็ว่าแท้ที่จริงมันก็อันเดียวกันยินดียินร้ายพอใจก็คือยินดีไม่พอใจก็คือยินร้ายทําไมจึงไม่เสมอไม่เห็นไม่ทําไมไม่สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเ ห, เห็นไม่ได้เพราะความอยากมันมีอยู่ ในขณะที่มันไปสัมผัสอ่ะตัวความอยากนั่นแหละมันออกไปออกไ่ออกไปทำงานก็มันความอยากตัณหาคือความอยากรู้ความอยากของใจของเราดูมองผ่างตาไปเห็นเห็นเพื่อเพื่อที่จะเสพให้สมอยากเห็นเพื่อที่จะเสพให้สมอยาก คือมันเทยทยานมันสร้างออกมันดิ้นออกมันหิวหิวว่า น, นั้นแหละหิวอารมณ์นั่นแหละมันดิ่นออกไปทางตาไปดูรูปเพื่อที่จะเสพสิ่งที่เห็นว่าชอบใจที่สุดถูกใจที่สุดดูกิริยาของความอยากปรลาแสดงออกร้อยดีนกไปทางตาชอบใจไม่ชอบใจ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 ศึกษาเพื่อให้รู้เห็นความอยากที่มันแทรกเข้ามากับตากับหงกับจ ม, มูกกับลิ้นกับกายกับใจเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะนนราคะก็เป็นไฟโทสะก็เป็นไฟโมหะก็เป็นภัย ไ, ไฟคือราคะนี่แหละมันรอ้อนไฟคือโทสะนี่แหละมันรอ้อนไฟคือโมหะเหมือนอย่งางที่พระแสดงไว้ในอาทิตต์ปริยายาสูลรอ้อนไม่ใช่ ลูกก็ตามัร้อนนะไม่ใช่รูปที่ลูกกตาไปเห็นมันร้อนแต่ราคะความยินดีในใจนั่นน่ะมันพายใจร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทศัย์ราคะยินดีพอใจต้องการมีอะไรมาขัดมาข้องมาคาเครียดขัดข้อง ที่เรียกว่าโทษะโทษะขัดของขัดของในหัวใจเหมือน ก, กระแสจใจมันกําลังไหลไปแหละมีอะไรมาขัดกึก๊กนี่เราขัดใจปฏิฆะขัดขัดใจราคะโทสะโมหะรเหตุที่มันราคะก็เพราะว่ามันโมหานั่นแหละเหตุที่มันโทสะก็เพราะมันโมหานั่นคือไม่รู้ไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยของมัน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 ชอบรักชอบช่างภาวะเหล่านี้คนไม่ชอบสัตว์ไม่ชอบแต่ความความหลงในหัวใจของเราเนี่ยมันไม่เคยประณีประสัยถ้าเราไม่ไม่ย้อนมาศึกษามาพิจารณามัน ตาํานากของมันตกเป็นาธาตุของมันยินดีรับใช้มันพอเวลาประกอบเข้าไปแล้วก็เหมือนกับตกหลุมพรางของมันตกหลุมพรางของมันตกหลุมพรางเพราะเราไม่มีปัญญาไม่มีตาไม่มีแสงสว่างไม่มีปัญญาจักษุไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีการตั้งสติ ไม่มีการโยนิสสมรสิการพิจารณาเกิดความแยกขายไม่มีการสอดส่องไม่มีการปลุกร้าวจิตคือผู้รู้ของตัวเองให้ตื่นไม่อยู่กับงานที่พุทธเจ้าสอนให้ทำสมถะวิปัสสนาไม่อยู่เมื่อไม่อยู่กับงานของสมถะงานของวิปัสสนา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 หลงบวกหลงหลงบวกหลงหลงบวกหลงมืนบวกมื่มืบวกมืมืบวกหมื่นราคาบวกราคาราคาบวกราคาโทระับวกโทระพโทรับวกโทรทโทรศบวกโทรศบวกหลงโลบวกหลงโกรธหลงบวกหลงหลงบวกหลงหลงบวกหลงท่านจีพไห้ตั้งสติตั้งสัมปชัญญะขึ้นมาเพราะตัวนี้เป็นตัวปลุกให้จิตตื่น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 แล้วเวลามีความฝันแล้วแต่มันจะพักนึกคิดล่องลอยเรืปอยไปไม่มีเจตนาอะไรไม่มีเจตนาที่จะต่อต้านกระแสของตัณหาที่อยู่ในหัวใจของเราแต่จะท่านงไงอยู่กับงานพุโทโธพุโทโธยกจิตประคองจิตปลกกุกจิต เอาสติปลุกเอาสมาธันย่ปลุกอุโทโธอุโทโธอุทธโธความสงบมีพลังมีพลังสังสมสะสมสังสมเพิม่พมเพิม่พมพูนเพิม่พมเติ ม, มจนจิตได้รับความสงบแนบแน่นตั้งมากับคิง น, นิ่งไม่เพลินไปกับความหลงที่มันเสกให้อ่ะ ไม่เคลื่นไปกับมันแหละรู้ทันมันนะไม่เคลื่นไปกับมันสงบเริ่มจะพิจารณาย้อนหาเหตุหาปัจจัยมันยางพอจะเห็นได้ไม่งั้นเราหาไม่เจอหาไม่เจอก็กลายเป็นก้อนกลายเป็นแท่งกลายเป็นอัตตากลายเป็นตัวตนทิธิมาน้าอัมตามมามุ่ทิธิมาน้ามตาสมาเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับจะต่อก่อน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 อย่างนี้แหะพุทโธพุทโธยืนกับพุทโธเดินกับพุทโธนั่งกับพุทโธลูลมกำกับพุทเข้าโุทพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนึกอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้กับพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับสิ่งเดียวอยู่กับสิ่งเดียวอยู่หละผู้รู้อยู่กับสิ่งเดียวนี่หละเป็นสองกับผพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ใช่พุทโธแต่ปางไงเฉย สติสัมปชัญญะเป็นผู้ดําริจิตเป็นผู้ดำริพุทธโธเป็นผู้ดําริรดา ร, ริไปดําริไปมันอิ่มเป็นเหมือนกันนะอิ่มเราไม่ดํารินี่เหมือนเหมือนกับเราไม่ได้ป้อนอาหารให้กับมันมันหิวตลอดหิวอารมณ์เหมือนกับเราหิวข้าวนั่นแหละเราเราดรําริตลอดเหมือนกันบเราป้อนอาหารให้กับมัน ป้อนไปป้อนไปมันก็เริ่มอิ่มเริ่มอิ่มเริ่มอิ่มเริ่มอิ่มถึงเราไม่ป้อนมันก็ไม่มันก็ไม่หิวมันก็ไม่ไปมันอยู่คึ้นนงจิตมีมีความสงบจิตมีความสงบจิตมีพลังจิตมีอาหารดูดดื่มจิตตรงนั้นจะเริ่มใสจะเริ่มมีความสว่าง ผ่องใสจิตดวงนั้นจะเริ่มผ่องใสทั้งผ่องทั้งใสทั้งผ่องทั้งใสทั้งรู้ทั้งสว่างพอามาพิจารณามาเยอะแยะทางด้านปัญญามันก็พอจะเห็นเหตุเห็นปัจจัยเหตุปัจจัยนี่แหละที่เป็นรบเป็นรากให้เกิดนู้นให้เกิดนีใน่ให้เป็นนู้นให้เป็นปนี้ เหตุปัจจัยของรูปเหตุปัจจัยของนามเหตุปัจจัยของของกายเหตุปัจจัยของใจเมื่อเราหลงเราก็ไม่เห็นเหตุไม่เห็นปัจจัยไม่รู้ว่าเป็นเหตุไม่รู้ว่าเป็นปัจจัยมีแต่เกณ์เอาเกณฑ์เอาจิตมันเกณฑ์เอาเกณฑไปตามที่มันพานึกพาคิดพาคาดพาเดาแล้วก็ยึดเอานึกนึกคิดคิดคาดคาดเดาเดาแล้วก็ยึดเอายึดเอายึดยังไงมันก็เป็นยังไงงันเพราะใจมันพายึด ยึดไปยึดมากับลุกอำนาจให้กับมันสนองนโยบายของมันแล้วพราะมันสร้างนโยบายขึ้นมาเลยสนองนโยบายให้กับมันมันกระทบมาเลยมีอยปาทานมีอยู่ปาทานแล้วก็พบก็ต้องมีนเกื่าเรามีอยูปาทานพบมันก็มี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 กิริยาอย่างอื่นก็ประกอบเข้าไปเสียสลให้ทานรักษาศีลตั้งใจปฏิบัติเข้าไปรู้สึกว่ามันไกลเลอเกินพุทโธพุทโธพุทโธแนบอยู่กับตัวตลอดโอ้อบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นทั้งกายอบอุ่นทั้งใจอบอุ่นยิ่งกว่าอะไรอะ ผ้าสกกลาดพื้นนั้นหนายำหนาวเงี้ยอบอุ่นยิ่งกว่านั้นอีกเอาละพอสมควรละเอาเดี๋ยวคอในหใ้ัส <c oughs> เอา <c oughs> กราบ <c oughs> ได้เลิก <c oughs> ได้